เพิ่งพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำความสงบใจไม่ใช่เป็นเวลาที่ทำการทำงานอะไรทางกายก็นั่งนิ่งนิ่ง วางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปผูกพันกับอะไรกำหนดเอาปัจจุบันเป็นหลักปัจจุบันนี่มีอะไรปรากฏอยู่ในตัวของตัวเองนี่มีอะไรมันก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละ ไม่มีอะไรนอกนั้นนะพระสาทดาวันที่พระองค์จะตัสรู้นั่นนะพระองค์ก็มากำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละพระองค์ไม่ได้ไปดีส่งพระไทยไปดูที่ไหน โลกอันนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเพ่งไปดูมันดูโลกอันจำกัดนี่ก็พอแล้วกว้างตอกยาวว่าหนาคืบหนึ่งได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้ ชื่อว่าเป็นโลกโลกหนึ่งเป็นที่อาศัยของดวงจิตทำไมจึงมาอาศัยมันอยู่นี่นี่ปัญหามันนะที่มาอาศัยมันก็เพราะว่ามีความพอใจอยู่ในรูปกายอันนี้ ตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังนูน่นเมื่อมันได้มาใสา่ยอยู่แล้วมันเลยสำคัญเป็นของเรารักใข้กับมันหวงมันแม่เจ็บหนักโลงเตือนจะตายก็ยังหวงมันโยความไม่รู้นะ่ะ ความหวงอันนั้นเป็นตัวกรรมวันนี้นำให้มาเกิดอาศัยรูปอันนี้อีกโย่แต่มันก็ยังดีได้มาอาศัยรูปร่างอันเป็นของมนุษย์ถ้าไปอาศัยรูปร่งางสัตว์ดิเรก า, านหรือเปรตหรือสัตว์นรกแล้วมันก็ยิ่งทนทุกข์ทรมานมาก เราก็มาวินิชัยดูในใจให้มันเห็นชัดลงไปอย่างนี้อัตภาพร่างกายของมนุษย์นี่ย่อมสมควรที่จะเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าบุคคลรู้จักใช้ รู้จักใช้มันประกอบกิจที่ควรทำละเว้นกิจการที่ไม่ควรทำเช่นนี้แล้วก็ดวงกิจผู้อาศัยอยู่ในร่างอันนี้ก็ย่อมบริถุดพุทธพองไม่มัวหมองเพราะว่าร่างกายนี้มันก็มีจิต เป็นใหญ่เป็นประธานสุดแล้วแต่จิตนั้นจะสั่งอย่างไรจิตสั่งอย่างไรกายก็ทำอย่างนั้นวาจาก็พูดอย่างนั้นให้สังเกตดูให้ดีเพราะฉะนั้นทำไหมเราจรึงจะมาหลง ถือมันอัตภาพร่างกายนี้ไว้นักหนาเพราะว่าตามธรรมดาดวงจิตนี่มันก็เป็นใหญ่เป็นประธานของกายของวาจาอยู่แล้วใจนี้ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาแยกแยะดูร่างกายอันนี้ให้มันเห็นทุกข์กะเบียดนิ้วไปเลย เมื่อมันเห็นแจ้งในกายนี่ทุกกะเบียดนิ้วไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่หวงมันจะไม่อะไรจะทอดอะไรในร่างกายนี้ลงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นแต่เพียงสภาะวะธาตุอาศัยกันอยู่เท่านั้น และข้อสาคัญมันเป็นของไม่เที่ยงนี่สิอันนี้แหละมันไม่น่าที่จะมาห่วงมาห่วงถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืนก็สมควรอยู่ที่จะห่วงมันห่วงมัน <c oughs> บางคนห่วงห่วงร่างกายอันนี้รุนแรงมากจนถึงกับไปทำบาปนั่นแหละ อันนั้นสำคัญทีเดียวถ้าหากว่าบุคคลยังหวงมันอยู่แต่และไม่ถึงกับใช้มันทำบาปใช้มันประกอบผู้สนคุณงามความดีต่างๆให้เกิดให้มีขึ้นในชนไออย่างนี้นี่นาป่าเป็นบันไดสำหรับที่จะให้ก้าวล่วงจากทุกไปเป็น ขั้นขั้นไปได้พระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทอาศัยร่างกายนี้ประกอบกุศลคุณงามความดีใส่ตัวเองอมากกว่าที่จะประสงค์ให้ใช้กายวาจาใจอันนี้ไปทำความชั่ว หรือว่ามัวแต่เกียรคร้านไม่ประกอบความเพียรละทีเด็ดอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ออกจากหัวใจอย่างนี้นี่ก็น่าเสียดายปล่อยให้ร่างกายนี่มันทุดโทมแตกดับไปเสียเปล่าโดยที่มันไม่ได้ใช้มัน ภาเลียนพยายามและกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่บุญกุศลตกแต่งให้แล้วนี่ตกแต่งใหร้รูปร่างอันนี้เป็นที่อาศัยของดวงจิตจิตนี้เมื่อได้มาใส่ร่างอันนี้แล้วก็จะวินิจฉัย ดูได้เลยว่ามันเป็นสถานที่ควรจะมาอยู่อาศัยตลอดไปหรือว่าสมควรจะปรงจะวางมันสมควรจะถอนตัวออกไปนี่ก็เป็นหน้าที่ของดวงกิจนี่จะต้องตั้งปัญหาถามตัวเองแล้วก็ต้องสอบตัวเองให้ได้ เพราะว่าธรรมดาคนมีปัญญา <c oughs> เมื่อไปอาศัยอยู่ในที่ไหนหรือว่าทำอะไรมันก็ต้องมุ่งให้เป็นประโยชน์อันยิ่งมันจึงค่อยลงมือทำกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ เมื่อดวงจิตนี้มาใส่ยอยู่ในร่างกายอันนี้ถ้าจิตฉลาดมันก็ต้องมาเพ่งพินิจ ด, ดูเราจะใสยร่างกายนี้เพื่ออะไรก็ต้องถามตัวเองถ้าหากว่าดวงจิตนี้มันฉลาดมันก็จะต้องสอบตัวเองว่าเรามาอาศัยร่างกายนี้ เพื่อสั่งสมบุญกุศลเพราะว่าบุญกุศลที่มีอยู่แล้วนั้นมันไม่มากพอที่จะนำตนไดพ้นจากทุกไปได้ดังนั้นเราจะต้องอาศัยร่างกายนี้แหละเป็นฐานที่ตั้งของบุญของกุศลดวงกิจนี้ถ้าไม่มีร่างกายอันนี้เป็นที่อาศัย ก็สร้างบุญกุศลอะไรไม่ได้จําเป็นต้องมีร่างกายอันนี้เนะี่เป็นที่อาศัยไปยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นนะก่อนที่พระองค์จะได้มาเป็นพร ะ, พ, ระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็อาศัยร่างของมนุษย์นี่แหละสร้างบุญบารมีมา ทุกข้าทุกพพมาแม้ไปอาศัยรูปร่างสดิไรฉานพระองค์ก็อาศัยรูปร่างสติไรฉานนั่นแหละสร้างบารมีในชาติหนึ่งเป็นพญาลิงมีบริวารเป็นหมื่นหมื่นเนาะพาบริวารไปกินผลมะม่วง ที่เกิดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคามะม่วงต้นนั้นมันอยู่โดดเดี่ยวไม่อยู่ใกล้ต้นไม้อื่นบัด น, นี้ฝั่งแม่น้ำคงคานี่บางแห่งมันก็แคบมันก็ไม่กว้างเท่าไหรตรงนั้นน่ะมันก็ไม่กว้างเท่าไรบรรดาลิงทั้งหลาย พากันขึ้นกินผลมะม่วงอยู่นั่นในขณนะอันพราชาไปเสด็จประพาสในป่าพาบริวารดำเนินมาตามเรียบฝั่งแม่น้ำคงคานั้นพอลิงทั้งหลายเห็นก็พากันกลัวพยาลิงก็คิดออกอบาย เพื่อช่วยให้เพื่อนผงูงตนให้รอดจากความตายก็เกรงว่ามนุษย์นี่จกเบียดเบียนฝูงลิงทั้งหลายพญาลิงจึงสั่งลูกน้องให้พากันอยู่เงียบๆอย่าส่งเสียงอย่ากระโดดโลดเต้นก็สั่งลูกน้องแล้วตัวเองก็ขึ้นไป บนปลายยอดมะม่วงนุ่นยอดต้นมะม่วงสูงูงแล้วก็อธิษฐานถึงบารมีธรรมเนีวก็กระโดดจากมะม่วงต้นนั้นไปสู่ต้นไม้ฝั่งน้ำคงคาทางฝั่งทางนู่นพอไปถึงนว่นแล้วก็ไปเอาเถาวัน ยาวๆมาต่อกันเข้าอืต่อกันให้ยาวคํานวณว่าพอที่เมื่อต้นกระโดดจากต้นไม้ต้นนี้ไปสู่ต้นมะม่วงนั้นก็จะให้ถึงได้มนีพยาลิงไปคํานวณผิดไปหน่อยหนึ่งพอนั่นแล้วขึ้นไปยอดต้นไม้สูงๆแล้วก็ เอาเถาวันเงื่อนหนึ่งผูกใส่ต้นไม้ใส่กิ่งไม้นั่นไว้เงื่อนหนึ่งก็ผูกเอวตัวเองม้วนๆไว้ใกล้กับตัวเองแล้ววันนี้ก็อธิษฐานในใจกระโดดพอกระโดดไปมือคว้าใส่กิ่งมะม่วงได้ก็พอดีเถาวันหมดตรงนั้น ตัวเองก็เลยจับ ก, กิ่งมะม่วงดึงตัวเองไว้ให้เป็นสะพานบอกให้ลูกน้องอต่ข้ามตัวเองนี่เดินข้ามตัวเองนี่ไปตามเทาวันนั้น <c oughs> พระราชาก็สั่งให้บริวารสงบเงียบ <c oughs> คอยสังเกตการไม่ให้ทำอะไรกับมัน พวกลิงทั้งหลายก็พากันใต่ไปตามถาวร น, นั้นข้ามไปฝั่งนน้นหมดทุกตัวเสร็จแล้วพยาลิงก็ปล่อยมือตกลงไปสู่พื้นดินตอนนั้นก็ยังไม่ตายพระราชาก็ถามทำไมหนอจึงไปตายเพราะบริวารทำไมไม่รักตัวเองสักหน่อย แทนที่กระโดดข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็ไม่ควรจะหวนกลับมาอีกทำไมไม่รักตัวเองพยาลิงก็กลับทูลพระราชาว่าธรรมดาผู้เป็นหัวหน้าหมูเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบต่อบริษัทบริวารของตนต้องช่วยเหลือบริวารของตนในเวลาขับขัน แม้ชีวิตของตนจะหาไม่ก็ยอมตายเพื่อบริษัทบริวารอันนี้เป็นคุณธรรมของผู้เป็นหลักเป็นใหญ่ไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ริริฉานก็สมควรจะมีคุณธรรมอย่างนี้แหละอยู่ในใจแม้พระองค์เป็นพระราชาก็นับว่าเป็นจอมมนุษย์ก็ควรที่จะมีพรหมวิหารอยู่ในใจ ให้มากจึงจะสงเคราะห์สงหาประชาารฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขได้จึงสมกับว่าผู้เป็นใหญ่ในประเทศเพื่อพระราชาได้ฟังพญาลิงแนะนำสั่งสอนอย่างนั้นก็พอพระหาฤทัยมากก็ยอมรับเอาโอวาทของพญาลิงไปปฏิบัติตาม เมื่อพยาลิงให้โอวาสแก่พระราชาจบลงก็ถึงแก่กรรมไปบังเกิดในสวรรค์เพราะว่าอนิสงส์ที่ได้สละชีวิตเพื่อบริษัทบริวารอันนั้นแหละอันนี้นับว่าเป็นคติธรรมได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ เกิดมาในโลกนี้ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสาลอันนี้นี่การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนัว่าเป็นลาบอันประเสริฐอยู่แล้วแต่ว่าลาบอันนี้มันก็ไม่ยั่งยืนมันมีขอบเขตได้อาศัยรูปกายอันนี้ไปชั่วระยะหนึ่ง เมื่อหมดบุญหมดกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนแล้วรูปกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้นยะก็จึงไม่ประมาทนั่นหนละจึงได้รีบเร่งใช้กายวาจาใจอันนี้กระทำคุณงามความดีให้เต็มความสามารถ งานอะไรสมควรที่จะทำด้วยกายก็ลงมือทำไปงานอะไรสมควรที่จะพูดด้วยวาจาก็พูดไปให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นงานอะไรที่จะต้องทำทางจิตใจก็ทำให้เกิดให้มีขึ้นงานทางใจ ได้แก่การทำใจให้สงบเป็นบทบาทเพื่อต้นทำอย่างไรใจจะสงบลงก็เอาตอนเคยเพ่งกรรมฐานอะไรใจจึงสงบลงได้ก็พยายามเพ่งกรรมฐานอ น, นั้นให้ปรากฏขึ้นในใจเมื่อกรรมฐานนั้นปรากฏขึ้นในใจแล้ว ใจนี่จะต้องสงบแน่นอนเลยทีเดียวเพราะว่ากรรมฐานที่ปรากฏในใจนั่นนหะมันถูกกับจริตกรรมฐานนั่นสำหรับเป็นเครื่องแก้จริตนิสัยที่มันเคยยึดเคยถือเรื่องที่ไม่สมควรยึดถือมาแต่ก่อน นั่นแหละเมื่อจิตเห็นกรรมฐ า, านอนั้นแล้วมันจะคลายอารมณ์ที่มันเคยยึดเคยพอใจมานั้นออกไปเช่นอย่างผู้ที่มีนิสัยรักสวยรักงามอย่างนี้เป็นนิสัยติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติน้่นจนมาถึงปัจจุบันนี้ ยังละจะริตนิสัยนั่นไม่ได้พระศาสดากรสอนให้มาเพ่งอัตภาพร่างกายนี่แยกแยะออกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปดูทำไมมันจึงพอใจกับร่างกายนี้หนักหนาร่างกายนี้มันวิเศษอย่างไรบ้างมันสวยงามขนาดไหนและมันเที่ยงมันยั่งยืนอย่างไร คือมาชอบใจพอใจนักหนานี่ก็ต้องเพ่งดูแหละเพ่งดูเมื่อจะเพ่งแบบง่ายๆนี่สมมติว่าคนเรานี่นมองตัวเองก็ดีหรือมองผู้อื่นก็ดีเห็นว่าสวยงามนี่มันก็มองผิวหนังเนี่ยก่อนอื่นได้ เมื่อมองเห็นผิวหนังเขาวๆเามาหนิมนวลก็ภัยท่านี้ก็ชอบใจแล้วก็วิตกแล้วว่าแม้รูปนี้สวยงามจริงๆโครงงันข้ามถ้ามองดูผิวหนังเนี่ยคล่ำคร่าไม่นิมนวลอมไม่เปลงป่งปลัง อย่างนี้นะสูบชีดเชนี้แทบแทบจะไม่เหลียวไปอีกเป็นครั้งที่สองเลยพอเหลือไปเห็นครั้งที่แรกเพราะนั้นเมินหน้าหนีแล้วรูปนี้ไม่สวยไม่งามนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าเพียงมามองดูผิวหนังนี่มันก็เป็นอุบาย คลายความยินดีพอใจในรูปนี้ออกไปได้ทีเดียวอ่ะดังนั้นในกรรมฐานห้าพระศาสดาจึงทรงสอนให้พิจารณาส่วนรอบนอกนี้รอบนอกของร่างกายนี้ก่อนเมื่อเห็นรอบนอกของร่างกายนี้ชัดเจนลงไปแล้วมันก็คลายความยินดีออกไปได้เหมือนอย่าง ท่านผู้ที่มีอุปนิสัยแก่กล้าก่อนบวชพระอุปชายะหรือว่าอาจารย์โกนผมให้แล้วกแนีนำให้ทุกศิษย์ผู้จะบวชนั้นนะให้พิจารณาผมขนเล็บกวนหนังห้าอย่างนี้เป็นอารมณ์ให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน มีความแตกดับไปเป็นธรรมดาเมื่อหมดเหตุปดปัดจจัยมันลงไม่ควรจะสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของของตนเมื่อให้อุบายแก่ลุกติตแล้วคนเริ่มลงมือกึกโกนผมไปลุกสิดก็พิจารณาตามไปพิจารณาดูแล้วก็เห็นตามจริงอย่างนั้น ไม่ควรํำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนควรปรงควรวางก็วางร่างกายอันนี้ลงได้สำเร็จอรหันในขณะที่โกนผมอยู่หรือโกนผมเสร็จลงอันนั้นหมายถึงว่าท่านเป็นอุคติตันอยู่แปลว่าผู้ตัดรู้เร็วผู้บรรลุมะขผนรวดเร็ว ด้วยอำนาจวาสนาบา ร, รมีท่านได้สั่งสมมาจนเต็มบริบูรณ์เต็มที่แล้วมันใกล้จะถ้าเป็นผลไม้ขั้วมันก็เน่าพอแรงแล้วขอลมมาต้องเข้าท่านนั่นเละมันก็หล่นลงอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเลยบุญบา ร, รมีของท่านโบนันได้สั่งสมมาจนเต็มบริบูรณ์ เต็มยังไรก็ช่างถ้าไม่ได้ฟังธรรมะคําสอนของพระเทเจ้าก่อนก็หลุดพ้นจากทุกในโลกอันนี้ไปไม่ได้อันนี้เป็นวาสนาบา ร, รมีของผู้เป็นพระสาวกมันต้องได้ฟังจากผู้อื่นซะก่อนจึงบรรลุมะขุนธรรมวิเศษได้ซึ่งไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพระุทธเจ้านั่นพระ อ, องค์ ถ้าเพียรพยายามาละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยลำพังพระองค์เองด้วยลำพังสติปัญญาของพระองค์เองไม่ไม่มีใครไปแนะนำอุบายละกิเลสตัณหาได้บรรลุถึงโลกุตระอัมนี่ไม่มีพระองค์คนพบพระองค์ผู้เดียว ส่วนภาวาต้องอาศัยได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าบ้างจากสาวกของพระองค์บ้งางเช่นนี้จึงลดพ้นไปได้ผู้ที่อินทรบารมียังไม่แก่กล้ามากเต็มที่อย่างนั้นบวชเข้ามาแล้วก็ต้องอาศัยการอบรม ได้รับโอวาทจากอุปชาบ้างจากอาจารย์บ้างไปต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ไปเรื่อยๆอบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าไปในตัวให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อบารมีอินทรีย์นี่มันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็ บรรลุมรคนธรรมวิเศษไปได้เช่นเดียวกันแหละกับภาษาวกแต่ก่อนแม่ผู้เป็นทา ย, ยกทายิกาก็เหมือนกันคนบางพวกพอแต่ได้ฟังธรรมกันเดียวเท่านั้นจบลงก็ได้บรรลุมรคนนับแต่โสดาปฏิผลขึ้นไปจนถึงอนาคามีผลก็มี เช่นนี้แหละทั้งนี้ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้สั่งสมบุญบา ร, รมีมาเต็มอัตราในมรลขั้นนั่นแล้วดังนั้นพอฟังธรรมจบลงก็จึงบรรลุไปได้แต่บางพวกอินทร์บา ร, รมียังไม่แก่กล้าถึงขั้นนั้น ก็ได้แต่ความเลื่อมใสศรัทธารู้แนวทางปฏิบัติต่อจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนมานั้นจำอุบายธรรมะอันนั้นให้แม่นยำแล้ววันนี้ก็ลงมือปฏิบัติตามไปโดยไม่ท้อไม่ถอย <c oughs> อินทรีย์มันก็ค่อยแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเมื่อมันแก่เต็มรอบแล้วมันก็บรรลุไปได้ท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างลูกไก่ที่อยู่ในไข่แม่มันกบเข้าไปเลื้อยไปมันได้รับความอบอุ่นจากแม่ของมัน มันก็โตวันโตคืนขึ้นตัวของรูปไก่อยู่ในฟองไข่นั่นนะที่นี่การโตของรูกไก่มันมันก็ไม่ทันกันไม่พร้อมกันบางตัวมันก็แข็งแรงก่อนหมู่มจะงอยปากมันก็แข็งขามันก็แข็ง เมื่อเมื่อมันโตมันมีกำลังขึ้นมาแล้วมันรู้สึก อ, อึดอัดอยู่ในฟองไข่นั่นไงมันจึงได้พยายามเอาจ ง, งอยปากนั้นเจาะฟองไข่โดยรอบตัวอะไรแบบนี้นั่นนี่พอมันเจาะฟองไข่นั้นรอบตัวแล้วมันก็เอาเท้านั้นยันฟองไข่นั้นหลุดออกจากกันลูกไก่นั่นก็เลย เกิดขึ้นมามองเห็นโลกอันนี้ได้ส่วนตัวไหนที่ยังกําลังอ่อนอยู่นั้นมันก็ยังทําเช่นนั้นไม่ได้อาศัยแม่นั้นกกไปหมูไปอาศัยแม่นั้นฟักไปเรื่อยๆ อ, อาศัยความอบอุ่นจากแม่ตัวรูปไก่นั้นก็โต ว, วันโตคืนขึ้นไป เมื่อมีกำลังพอแล้วก็เจาะฟองไข่นั้นออกมาได้เช่นเดียวกันต่างแต่ก่อนและหลังกันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ <c oughs> มันราสัตว์โลกทั้งหลายนี่เนะี่ย <c oughs> เมื่อเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธเจ้าก็ดีหรือได้พบศาสนาของพระองค์ได้พบ ได้พบพระสงฆ์สาวกของพระองค์เช่นอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็ได้พากันเลื่อมใสศรัทธาในพระคุณของพระพุทธเจ้าลัมบาสด้วยการได้ยินได้ฟังอย่างหนึ่งแลวก็ด้วยที่แต่ชาติก่อนน้นตนก็เคยได้พบมาได้ทำความเลื่อมใสเป็นปัจจัยติดมา แต่ในชาติก่อนนั้นบุญบารมีตนก็ยังไม่เต็มจึงไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าไปได้เมื่อเกิดมาในชาตินี้มันนำมาให้เกิดในยุคในสมัยที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดมาแล้วได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอน ของพระพุทธ เ, เจ้าก็ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจทราบซึ้งในพระพุทธศาสนานี้ดีทำให้เอ็นแจ้งในคุณพระรัตนไกรนี้ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆก็ <c oughs> จึงได้ปฏิ ญ, ญาณตนรับนับถือเอาพระคุณทั้งสามนี้ มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วต่อจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไปโดยลําดับพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามไปโดยไม่ย่อท้อโดยอาศัยบุญเก่านั่นแหละ เป็นกำลังใจสั่งสมบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอาศัยบุญเก่าให้เกิดความยินดีในการบริจาคทานเพราะว่าแต่ชาติก่อนตนก็เคยบริจาคทานมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรมากมาย เรื่องการขนขวายในการบริจาคทานและแต่ชาติก่อนก็เคยรักษาศีลมาแต่ชาติก่อนก็เคยรักษาศีลมาพอเกิดมาชาตินี้บุญกุศลอะไนั้นเน่ยก็มาดนใจให้เกิดความพอใจในการรักษาศีลแต่ชาติก่อนก็เคยได้ ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเคยเริ่มใส่พอใจในพระธรรมคำสอนนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยติด ต, ตามมาก็เกิดมาในชาตินี้จึงยินดีพอใจในการฟังพระธรรมคำสอนไม่เบื่อไม่น่ายเถ้ชาติก่อนเคยนั่งสมาธิภาวนามา แต่ว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าอย่างว่าทัานนี่นก็ยังหลุดพ้นไฟไม่ได้มา่ชาตินี้พอมาได้ยินได้ฟังอุบายการเจริญสมธิภาวนาเขาก็พอใจยินดีในการนั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขยันมันเพียรได้เต็มที่ <c oughs> ทั้งหมดนี่เลยอาศัยเหตุปัจจัยคือบุญกุศลที่แต่ละคนได้กระทํามาแต่ชาติก่อนมันมาหนุนกำลังใจหนุนกำลังศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในปัจจุบันนี้ให้มีกำลังแก่กล้าสามารถฝึกตนทรมานตนได้เต็มที่เลย ไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเด็ดเดือแต่ประการใดทีนี่บางคนนะ่ะถือว่าการปฏิบัติธรรมนี่เป็นความลำบากยากเย็นเต็มทีท้อใจไม่มีกำลังใจที่จะทำไปได้เช่นอย่างเป็นคารือหัดอย่างนี้นะเพียงแต่ว่า ได้รับคำแนะนำให้รักษาสินอุโบสถชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งเขานี่ก็ท้อใจแล้วไม่สามารถอย่าว่าจะสินอโบสถเลยแม้จะสินห้านี่ก็ท้อใจไม่สามารถจะรักษาได้รักษาได้จะเป็นเพียงบางสี่ขาบทเท่านั้นเองที่สี่ขาบทที่ไม่ ขัดข้องต่อความประสงค์ของตนบางสิขาบทเท่านั้นแหละถ้าสิขาบทใดมันไปขัดกับความอยากความปรารถนาในหัวใจแล้วไม่เอาแล้วทู่ไม่ได้ออคนเรามันลำเอียงเข้ากับกิเลสตัณหาเป็นอย่างนั้น <c oughs> มันไม่เอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องอาศัยเมื่ออาศัยกิเลสสายเหตุที่มันจะปฏิบัติตามถ้าทำคำสอนไม่ได้นี่เรื่องเรื่องปุปเพกตาปุญญ า, าความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในฟังก่อนนี้นับว่าเป็นหลักอันสำคัญในการนับถือพระพุทธศาสนานี่นะ <c oughs> ดังนั้นทุกคนให้พากันเพ่งพิจารณาดูตัวเองให้ได้โดยเฉพาะดูจิตนี่แหละ <c oughs> ถ้าเมื่อมาเพ่งดูจิตใจตัวเองนี่ <c oughs> ก็รู้ได้เลยว่าต่ <c oughs> าชาติก่อนรุนตนได้ทำกุศลความดีมากน้อยเพียงใดรู้ได้ <c oughs> ถ้ารู้ไม่ชัดก็ได้อภออนุมานได้ถ้าจิตของผู้ใดเมื่อได้รับรสแห่งพระธรรมแล้วมีความชื่นทมยินดีพอใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้นอย่างเต็มที่จนเกิดปีติขนพรองขนพองสยองเกล้าขึ้นมาในใจ ผู้นั้นแหละได้ชื่อว่ามีบุญกุศลมากพอสมควรที่ได้สั่งสมมาแต่ชาติก่อนหนหลัง <c oughs> แต่ถ้าผูดด้ใดฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วและรู้แนวทางข้อปฏิบัติอยู่แต่ถ้าว่าหากไม่พอใจที่จะปฏิบัติตามเท่าไหร่นะ ไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามเท่าไรยังนึกท้อใจว่าข้อปฏิบัตินี้เคร่งครัดเกินไปเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้จะได้ก็ได้เป็นบางสิ่งืองอย่างไม่ได้เต็มที่ผู้นั้นแสดงว่าได้กระทำคุณงามความดีมาแต่ในชาติฟางก่อนนน้อยไป กำลังบุญกุศลด้ชาติก่อนมันน้อยไม่พอที่จะมาสนับสนุนกำลังศรัทธาความเชื่อในปัจจุบันนี้ให้มีกำลังแก่กล้าขึ้นได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงไม่เข้มแข็งในการภาคเปียนพยายามบำเพ็ญศีลให้บริสุทธิ์ฟุทฟองเต็มที่ จึงไม่มีความภาคเพียนพยายามที่จะบําเพ็ญสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตนี้เต็มที่ได้ไม่มีความภาคเพียนพยายามที่จะเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในดวงจิตนี้ได้เต็มที่นี่แหละต้องสังเกตดูจิตใจตัวเองทุกคน เมื่อรู้ว่าบุญบา ร, รมีของตนมันน้อยไปแต่ชาติก่อนเช่นนี้แล้วก็พยายามปลูกปลอบใจของตนให้เข้มแข็งขึ้นไม่ควรท้อแท้ใจไปตาบุญบา ร, รมีเพราะบุญบา ร, รมีนี่มันจะมากได้ก็พราะอาศัยเราทําเอาไม่ใช่ว่าอยู่พอเปล่าแล้วมันแก่ ก, กล้าขึ้นเองหาม่ได้ ทุกตุวอย่างต้องเกิดจากการกระทําทางนั้นเลยให้เข้าใจกันให้มันได้ต้องให้เห็นแจ้งด้วยตนเองเรื่องอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วมันก็ไม่มีกำลังใจที่จะบำเพ็ญต่อไปเป็นอย่างนั้น <c oughs> ข้าวอย่างนี้นะเราไม่รับประทานมันก็ไม่อิ่ม แม้ว่าจะเอามาตั้งไว้ข้างๆนั่นมันก็อิ่มไม่ได้มีได้จะหิวโหวยไปเท่านั้นเองต่อเมื่อใดเราเปิดเข้าใส่ปากเคี้ยวกลืนเข้าไปในกระเพะาะนูกไฟธาตุมันทำงานย่อยอาหารอ น, นันไปซึมซาบไปเลี้ยงร่างกายร่างกายก็จึงมีกำลังทำการทำงานได้ อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเราต้องน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเข้าไปสู่ดวงจิตให้ได้เมื่อจิตนี้ได้รับรสแห่งพระธรรมนั้นเรื่องอย่างนี้มันก็จะมีกำลังใจขึ้นจะเกิดปีติขึ้นสพรัสโส ธ, ธรรมรัฐสังชีนาติ รสแห่งพระธรรมนั้นย่อมชนะรสทั้งมวลในโลกนี้พระสาทดาส ร, าสรบไว้บรรดารสอาหารรสผลไม้ต่างๆนี่มันมันรู้รสตั้งแต่เฉพาะปลายชิวหานี่เท่านั้นเละพอคลื่นเข้าไปถึงกระเพาะแล้วรสต่างๆเหล่านั้นหายหมดส่วนรสแห่งพระธรรมนี่ เมื่อบุคคลได้น้อมเข้าไปสู่ดวงจิตจิตไร้ได้รับรู้แห่งรสพระธรรมเช <c oughs> ่นนี้ล้วย่อมมีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งเช่นอย่างว่ารสของศีลอย่างนี้นะเมื่อเราน้อมเข้าพิจารณาดูว่าเมื่อทนรักษาศีลมานี่ ตนได้รับความสบายกายสบายใจอย่างไรบ้างเมื่อพิจารณาดูก็เห็นได้เลยว่าเมื่อตอนรักษาศีลมานี่ตนสารวมระวังกายสารวมวาจาไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ตนก็ไม่เดือดร้อนไม่สะดุ้งหวาดกลัวว่าใครจะมาแก้แค้นตอบแทนตน ไม่มีเมื่อตนไม่ได้ฆ่าตัดสิ่งเดรัจฉานเช่นนี้นะก็นึกว่าตนนั่นไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรจิตตัวเพราะตนไม่ได้เบียดเบียนสัตว์เหล่านั้นเมื่อนึกได้อย่างนี้ก็จะจิตใจก็เบิกฟานผ่องใสเกิดปีติในคุณของศีลนั่นขึ้นมา แถมถ้ามาทำใจให้สงบโดยการเจริญพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปเพ่งใจนี้ให้เข้าถึงความสงบนิวรห้าดับลงใจรวมลงเป็นหนึ่งไม่มีกังวลในเรื่องอดีตอนาคตชนิยิ่งสบายมากนั่นแหละการได้ดื่มรสแห่งสมาธินี้ นับว่าเป็นรสที่กลมกล่อมทีเดียวอะดังนั้นผู้ทำใจให้รวมลงไปได้แล้วหายเจ็บหายปวดหายเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในร่างกายนั่งอยู่นานๆนนก็ได้คนที่ไม่ได้ดื่มรสแห่งสมาธิแล้วนั่งอยู่นานก็ไม่ได้หาทางลุกหนีไปเลย อยู่ไม่ได้นั่นแหละรสแห่งสมาธิ่ยนะมันมีรสชาติอร่อยขนาดไหนผู้ไม่ได้ดื่มรสแห่งสมาธิแล้วก็นั่นแหละจะนั่งนิ่งนิ่งอยู่นานไม่ได้เลยแถมถ้าหากว่าได้ดื่มรสแห่งปัญญามันก็ยิ่งอร่อยกว่านั้นเข้าไปอีก เพราะว่าเมื่อบุคคลทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ดื่มรสแห่งสมาธิแล้วก็ยังมามองเห็นว่าสมาธินี้มันก็จะไม่ยั่งยืนมันมีเวลาถอนได้หมายถึงความสงบใจนี้นะการที่ใจสงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่นี่ มันจะอยู่ได้ไปช่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละมันจะไม่ไม่ลิ้งอย่างนี้ตลอดไปได้ดังนั้นเมื่อรู้ว่าใจนี่มันจะถอนจากความสงบแล้วก็ตั้งใจเจริญปัญญาต่อวันนี้จะต้องการรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอัตภาพร่างกายนี้ ก็กำหนดพิจารณาเรื่องนั้นตนยังไม่รู้แจ้งอะไรในอัตภาพร่างกายอันนี้ในขันห้าอันนี้ก็กำหนดพิจารณาเรื่องขันห้าอย่างนี้นะแต่ความจริงแล้วทุกคนก็มาหลงอยู่ในขันห้านี่แหละไม่รู้แจ้งในขันห้านี้จึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ จึงถูกทุกครอบงำย่ำยีอยู่เนี่ยเนื่องจากมายึดมั่นสำคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนอยู่นี่มันจึงได้เกิดเป็นกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดขึ้นมาจึงอยากได้อะไรต่ออะไรมาบำรุงขันห้านี้ให้ยั่งยืนสืบต่อไปจึงได้เพลิดเพลินเจริญใจไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลก เพราะว่าใจนี่มันสำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวของตนแล้วแล้วในระยะเวลาขันหานี่มันยังมีกำลังแข็งแรงอยู่บุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนยังบำรุงขันหานี้ให้มีกำลังแข็งแรงดีอยู่อย่างนี้ก็สำคัญว่าขันหานี้จะไม่ทำรุตสุดโทงง่ายไม่แตกดับง่ายก็เคลิ้ลอรแบบนี้นะ ก็ใช้ขันห้านี้แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันสิ่งที่ตนรักใคร่พอใจต่างๆเพลินไปจนถึงก็ได้ทำบาปทำกรรมไปนี่แหละคนบุคคลผู้ไม่เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นมีแต่ทำความสงบใจอย่างเดียวยังไม่พอยังแก้ความหลงไม่ได้ ต่อเมื่อได้มาแยกเนี่ยดูขันหานี่ไม่มีสาระแกนสารอะไรถ้าใสยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทำมาในชาติก่อนนั่นมันมาตกแต่งธาตุของบารดากบิดานี่นะให้เกิดเป็นรูปร่างลักษณะของมนุษย์ขึ้นมามีตาหูจมูกลิน้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆองขนเล็บปันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับฟังเปิดไตกอดไ้ใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอะไรหมดนี่นะนี่ล้วนแต่บุญกรรมมาตกแต่งให้ทั้งนั้นแหละตกแต่งจากธาตุของมารดาบิดาต้งเพ่งให้มันเห็นนั่นแล้วทีนี้บุญกรรมที่ติดตามมาตกแต่ง รูปกายอันนี้ให้มันก็มีขอบเขตจำกัดนั่นแหละมันก็บำรุงรักษารูปกายอันนี้ไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อมันหมดเขตของบุญกรรมอันนี้แล้วรูปกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายไปอ น, นามธรรมนั่นก็อาศัยกายกับจิตนี่แหละสัมผัสกันเข้า จึงเกิดเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาเราต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะมาหลงความจริงนะจิตใจนี่เมื่อไม่ใช่ปัญญาพิจารณานามธรรมานี่เห็นแจมแจ้งแล้วมันก็มาหลงอยู่นามธรรมานี่แหละหลงสัญญานี่หลงเวทนาเมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ก็ไม่พอใจก็เดือดร้อนดินน้นรนเมื่อเกิดสุขเวทนาขึ้นมาก็พอใจก็อิ่มใจอยู่ในสุขเวทนานั่ น, น, นเรียก ว, ว่าหลงเวทนาโดยสำคัญว่าสุขเวทนานั้นเป็นของเที่ยงยั่งยืนไปอา้าเมื่อไปจำหมายอะไรในสิ่งที่ตนชอบใจ ก็พอออกพอใจกับสัญญาอันนั้นอ์นึกว่าสิ่งที่ตนจํานั้นนะ่ะเป็นของสวยของงามน่ารักน่าใครเมื่อยินดีพอใจนั่นก็เลยไปยึดสัญญานั้นไว้อย่างนี้แหละรู ป, ปะสัญญาความจํำหมายในรูปสัทธะสัญญาความจําหมายในเสียง พันธะสัญญาความจำหมายในกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเป็นต้นรสสัญญาความจำหมายในรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวรสเปรี้ยนเป็นต้นหมดนี่ผดทพะสัญญาความจำหมายในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง ถ้าสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มพออกพอใจถ้าสัมผัสแข็งกระด้างไม่พอใจธรรมสัญญาความจําหมายในธรรมอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกอภิญากลิตเรียกว่าสังขาร อันนี้สังขารเมื่อเกิดขึ้นแล้วจิตไม่รู้แจ้งก็หลงยินดีไปตามสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดความลึกคิดขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องบุญกุศลก็ติดบุญวัานี่คอนสิดบุญนั่นแหละลองคิดดู บุญกุศลผลหลังน่นแหะมันตามมาตกแต่งให้มีรูปร่างกายอนิมาแล้วแถมให้มีโพคะสมบัติเข้าของเงินทองมากๆเลยมาติดอยู่เนี่ยมายินดีพอใจอยู่ในผลแห่งบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยผลให้นั่นแหละมาติดมายินดีอยู่นี้แหละไม่ไม่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง ไม่ยอมพิจารณาด้วยปัญญาเลยมีคนติดบุญแบบนี้นะนน เ, นเมื่อติดบุญมันก็มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็จะต้องไปบุญนี่ก็พาไปเกิดท่านหน้า่อไปอีกแล้วก็แก่เจ็บตายไปอีกเอาบุคคลติดบาปเมื่อสร้างบาปกรรมใส่ตัวเองมาบาปกรรมนั้นมันมาตามตกแต่งอัธภาพร่างกาย นี้ขึ้นมาแล้วมันก็ตกแต่งให้ไม่สมบูรณ์บบนี้ทำให้บกพร่องได้เสเวยทุกขเวทนา เ, เช่นว่าเกิดมามีรูปร่างกายนี้มาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงเบียดเตียนร่างกายอันนี้ได้เสเวยทุกขเวทนาก็าไปติดอยู่ในทุกขเวทนานั้นไม่สำคัญว่าเราเป็นทุกข เราเจ็บตรงนั้นเราปวดตรงนี้เราเป็นทุกข์เราเดือดร้อนนั่นเรียว่าใจมันไปติดบาปไปคล้องอยู่ในผลของบาปกรรมออใจมันติดอยู่กับความทุกข์บนี้เมื่อทุกข์มาถึงก็ยึดเอาทุกข์ไว้เมื่อสุขมาถึงก็ยึดเอาความสุขไว้จิตใจที่ไม่มีปัญญาเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้สอนสอนให้กำหนดเพ่งพิจารณาคันห้านี้แยกออกเป็นรูปกับ น, น้ำรูปนั่นกับคงเป็นรูปอยู่ตามเดิมเลยประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนน้ำ ม, มาทำนั้นมันเกิดขึ้นอาศัยระหว่างกายกับจิตกระทบ ก, กัน จึงได้เกิดเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาดังกล่าวมาแล้วนั้นพอรูปนี้แตกนามก็ดับไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารแม้แต่น้อยเดียวเนอะเพ่งพิจารณาดูด้วยปัญญามันก็เห็นแจ้งได้ เห็นแจ้งว่านามรูปนี่ไม่มีสาระแกนสารอะไรนิสัตโตมีใช่มิใช่สัตว์นิชีโอมิใช่ชีวิตศูนโยเป็นของว่างเปล่าว่างจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขา <c oughs> นี่แหละเรื่องของปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้ว มันก็มองเห็นร่างกายสังขาร น, นี้ได้ตามเป็นจริงถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วก็จะมองไม่เห็นตามเป็นจริงสมควรที่จะเบื่อหน่ายก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อปัญญาไม่เกิดเป็นอย่างนั้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ย่อมมองเห็นว่าการที่มายึดมั่นถือมั่นในขันหานี้ไม่สมควรเลย เพราะมันเป็นทุกข์ขันหานี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเต็มไปด้วยภัยอันตรายคือความเจ็บความปวยไข้ในเป็นภัยมหาศาลเป็นภัยที่น่ากลัวมากนี่ควรกลัวควรเบื่อหน่ายเพราะว่ามันเป็นของไม่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ควรเบื่อหน่ายถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืนนั่น ก็สมควรที่จะยินดีพอใจอยู่แต่นี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนน่ะแล้วจะไปยินดีพอใจกับมันทําไมอะ่ะออปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะต้องอาศัยปัญญาสอนจิตนะจิตมันถึงเบื่อถึงไหนมันจึงยอมคลายความยึดความถือถ้าว่าไม่ใช่ปัญญาสอนแล้ว ยึดนี่มันจะไม่ยอมคลายไม่ยอมคลายความยึดความถือเลยดังนั้นแหละรถแห่งพระธรรมนะรถแห่งปัญญาจึงคือว่าเป็นรถอันอร่อยยิ่งกว่าบรรดารถแห่งทานรถแห่งศีลรถแห่งสมาธิ เพราะว่าเมื่อปัญญาเคยขึ้นถอนจิตบ่อยๆเข้าไปแล้วจิตมันคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้ออกไปได้ส่วนจะลำพังกำลังของทานของศีลของสมาธิเท่านั้นไม่สามารถที่จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้ได้ยังไม่ได้ก่อนเพียงแต่คุณธรรมเหล่านั้น ให้พากันเข้าใจดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเลยว่าปัญญาณรานังรัตนงปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนอรชนทั้งหลายเพราะว่บาบุคคลผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อปัญญานั้นมันเข้าขั้นถึงปัญญาในโลกุตระธรรมเลวมันก็สามารถสอนจิตนี้ให้รงให้วางขันหานี้ได้เมื่อเมื่อวางได้ขาดรอบหน้าแห่งปัญญามันก็วิมุดมันก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้ได้แต่จิตนี้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นขันหานี้ แต่ก็ยังอาศัยขันห้านี้อยู่นี่ให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเมื่อพอจิตนี้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหรือความยึดมั่นถือมั่นในขันห่านี้แล้วจะต้องตายเลยจึงจะชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นไม่ไม่อย่างนั้นนะอน่มันคนละเรื่องกันอันนั้นการหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญานี่ ไม่จำเป็นต้องตายทันทีหลุดพ้นแล้วก็ยังอาศัยขันห้าอยู่ตามเดิมก็ยังทำกิจธุระที่ควรทำอยู่ตามเดิมที่เคยทำมายังไงเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละอาสวะกิเลสหมดสิ้นแล้วก็ยังเที่ยวบินทบาทมาฉันอยู่อย่างนี้แหละก็ยัง แสดงทำสงเคราะห์ประชาชนทั้งหลายอยู่ mm. ก็ยังจาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่แม้ผู้ครองเรือนทั้งหลายได้นรูลวมาขนในขั้นใดแล้ว mm. ก็ยังทำกิจระของตนอยู่ตามหน้าที่อยู่นั่นแนะ่ะแต่ว่ากิจกรรมบางอย่างที่เคยทำมาอันมันเป็นโทษต่างๆเหล่านั้น ท่านกลละกันได้หมดเลยการงานบางอย่างที่มันไม่มีโทษก็ทำต่อการงานอะไรมันเป็นบาปเป็นกรรมที่รุ่มหลงทำมาแต่ก่อนบรรลุมาขนน้นกลละเลยละไดเ้เช่นเคยฆ่าตัดชีวิตมาอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ฆ่ามันอีกแล้วตลอดชีวิตไปเลยเนี่ยรถแทง มัทธรรมวิเศษเป็นรสอร่อยอันเลิศกว่าบรรดารสทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าบุคคลใดได้ดื่มรสแห่งโลกุตรธรรมนี้แล้วมันย่อมได้รับความสุขสม่ำเสมอย่อมเป็นผู้ไม่หลงเป็นธรรมดารู้แจ้งสังขาร น, นามรูปตามเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาดังแสดงมา